الله ا ل رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين و ل ا ع د و ا ن إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อายาของสุร์ดยูนสุสที่ได้อธิบายไปสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วมีการกล่าวถึงมาระสำคัญของการเทศนาหรือการเผยแพร่คำสอน ของ น, นบีมุฮัมมัดสุล ล, ลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจารีตของสังคมที่ถูกทําลายซึ่งความบริสุทธิ์และสิ่งที่ถูกทาลายในยุคนั้นก็คือการที่มนุษย์ นั้นมีพระเจ้าองค์เดียวและการที่ให้มนุษย์นั้นได้พึ่งพึ่งพาพระเจ้าอุปโลกจอมปลอมเชื่อในทษในคุณที่ไม่เป็นจริงของมันถือว่าเป็นการบิดเบือนและทำลายครั้งยิ่งใหญ่ ของมนุษยชาติทั้งปวงโลกนี้เคยประสบกับภัยพิบัติที่ทำให้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเช่นบกในโลกใบนี้เคยเป็นเป็นปึกเดียวแล้วก็เกิดภัยพิบัติที่ทำให้ปึกบกเนี่ย แบ่งเป็นหลายทวีิเป็นเป็นเป็นการแบ่งแบงครั้งยิ่งใหญ่องค์โลกและการแบ่งแบงครั้งยิ่งใหญ่นี้มันไม่ได้ทำให้เปลี่ยนซึ่งความจริงและสัจธรรมที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าผู้ส้างในการที่มนุษย์นเนี่ยหลงหลงตามสรรพสิ่งบางอย่างเนี่ย และไปเชื่อไปเชื่อในอิทธิฤทธิ์บางอย่างจนสถาปนาให้บางสิ่งบางอย่างนั้นได้ได้กลายเป็นผู้ครอบครองและบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอมนุษยนะ์นั้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากรายลยจะนึกภาพะนะ่าร้ายแรงเท่ากับ เท้ากับคนหนึ่งมีพ่อแม่แท้ๆของเขาอะ <c oughs> แล้วก็อยู่ดีๆมีคนบอกว่านี่ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ของคนนุ่นคนนู้นคนนุ่นคนนี้เป็นการเบ็ดเบือนครั้งใหญ่ในชีวิตของคนถ้าถ้าเกิดในชีวิตของเขาและเรื่องนี้มันก็เกิดเรื่องเปลี่ยนนามสกุลโดยเฉพาะนิดนึงมาเองมาเองไม่ได้ตั้งใจ ก็ส the well, ืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของซูเรตยูนุสที่ต้องการตอบใจท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลที่ถูกปฏิเสธโอ้มุฮัมมัดเจ้าเจ้าอย่าเสียใจนะคนที่ปฏิเสธเจ้าเนี่ยเข้าถึงขนาที่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็มาอุปโลกเจวิตต่างๆมาเป็นพระเจ้าจอมปอม ให้พวกเขานี sure. ่ยฉะนั้นการนี่เขาปฏิเสธเจ้านี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้เจ้าต้องต้องเสียใจมากนักอินมันในี่ยสรุปว่าอันงามละก็ได้บอกกับท่านนบี فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين أبيء آيات الله يجحدون แต่จริงๆเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้าหรอแต่พวกเขาได้ปฏิเสธองค์การของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าอันนี้นี่คือเรื่องใหญ่ฉะนั้น โอ้โมหัมมัดถ้าเขาปฏิเสธเจ้ารังแก้เจ้าแล้วก็่าเสียใจมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับกับข้าเองกับอล่อยอซึ่งอายันนี้ก็ทำให้เราได้หันมามองเรื่องใหญ่ในชีวิตของผู้ศรัทธา การที่ผู้ศรัทานั้นน่นจะจะต้องจะต้องมีศูนย์กลางสำคัญศูนย์รวมสำคัญในความสานึกในความศรัทธาในความคิดในความเชื่อที่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในทุกกรณีในทุกสถานการณ์ในการที่เราได้มีพระเจ้าองค์เดียวการที่เราได้เชื่อว่าพระเจ้านี้มีพระอำนาจพระเดชานุภาพที่บริบูรณ์ที่สุด ที่ไม่มีอะไรในสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะเทียบกับอำนาจของของพระเจ้านี่อันนี้มันมันเป็นการสร้างความมั่นคงกับสภาพจิตใจของมนุษย์ไม่ให้แกว่งไม่ให้สับสนเพราะตราบใดเรา ตั้งสมมติฐานว่าสามารถที่จะอุปโลกใครก็ได้อะไรก็ได้เป็นพระเจ้านี่นะมันไม่จบอย่างที่เราเห็นกันมันไม่จบแล้วเพราะอันนี้มันไม่พอใจก็เอาเพราะอันนี้มันเจ๋วกว่าอันนี้มันโอ้อันนี้มันอันนี้มันมันยิ่งใหญ่กว่าก็ย้ายไปย้ายไปอีกดูอันนี้มนุษี่ที่ไม่มีความหนักแน่นในชีวิตของเขาเนี่ยก็เน่อจะว่าไม่มีความหนักแน่นในความเชื่อ ในพระเจ้าศูนย์กลางของของชีวิตคําว่าชีวิตหมายถึงว่าชีวิตทุกชีวิตในในสรรพสิ่งในโลกเนี้ยศูนย์กลางของคําว่าชีวิตนี่นนสสนน ค, นคือต้องมีต้องมีผู้ให้ชีวิตเราต้องเชื่อว่ามีผู้ให้ชีวิตแล้วก็เราไม่เชื่อในเดชะนุกว่า ข, ของผู้ให้ชีวิตนี่แหละจบเลยเรื่องเรื่องมันมันสมมติฐานได้ได้เรื่อยๆ ฉะนั้นในอายะหิบเกนี้อัลลซุบฮนะาจะเรียกร้องเชิญชวนให้มนุษย์ทั้งหลายนี่ได้มามาฟังเรื่องเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยก็เหมือนเรื่องที่ใครก็ได้นี่ใครนี่เราหรือนกุชาการเล่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันเรื่องกับอนาคตอะไรทั้งนั้นฟังอัลลอฮฺชวนมาฟังมาฟัง ดังเดิมเรื่องดังเดิมอ่ะมันเป็นยังไงเหตุผลที่เราจะฟังพระเจ้าของเราที่เล่าเรื่องนี้นี่นะเพราะเราเชื่อเพราะเราเชื่อว่าอายุและเวลาอยู่ในพระหัต์อยู่ในพระอำนาจของพระองค์หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเวลานีอยู่ที่อัลลอฮ แสดงว่าองความรู้ที่เกี่ยวกับเวลานี่ยก็ของอัลลอฮฺสุลฮานอฮ์ก็ต้องที่สุดต้องที่สุดความรู้เกี่ยวกับวัตถุความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆต้องที่สุดถ้าเราเล่าก็ต้องฟังที่ไหนเวลามนุษย์อยากจะเล่าบ้าง เขียนบทซีเนเดโอเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แล้วก็เอาผู้กำกับทุ่มงบประมาณทุ่มนักสแสดงเล่าเรื่องนะคนฟังไะ โ, โ, โ, โ, โอ้ฟังกันทั้งโลกเลยฟังกันทั้งโลกเลยซื้อตั๋วกันได้กำไรมันพันๆล้านนะฟังทั้งนั้นดีไอคนที่ไปฟังทั้งหมดเนี้ยรู้ว่าไอเรื่องเล่านี่นี้มันเป็นเรื่องเรื่องเฟซทังนั้นนอะ ไม่เป็นจริงแล้วรู้ว่าไอ้คนที่เขียนบทนี่นะมันรู้ว่าพวกเราเนี่ยชอบเรื่องแบบนี้มันก็เลยเขียนเรื่องที่เราชอบทั้งทั้งที่รู้ว่าเรารู้ว่าวัวมันไม่จริงแต่มันมันมั น, มนเรารู้ว่ามันรู้ว่าเรารู้ว่าจริงไหมละ่ะจริงไหมละ่มละไปดูหนงังไปดูละครกันรู้ร้องกร้องไห้เด็กๆนีน ใ, น ใ, นในใจนี่รู้นะ รู้นะามันโกหกทั้งนั้นนะบางทีในกระทาจะเนียนดูมันจะตบมันน่ะเนี่ยนดูมันจะเนียนยนแล้วแต่แต่ก็ตามเรื่องที่มันอุปัตกลงขึ้นมานี่นะเพราะเรื่องเราชอบเนี่ยแต่ก็เรื่องเล่ามนุษย์เป็นอย่างนี้นะพอจะเล่าเรื่องจริงอนะมีเหตุมีผลไม่เซนจริงๆเนื้อเรื่องนี่มันมันลงตัวจริงๆและไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธว่าโอ้มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราบอกว่ามามาฟังดีที่พวกเจ้าปฏิเสธข้าเนี่ปฏิเสธพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยแล้วไ่อุปโลกเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นจริงเนี่ยมามามาให้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยอยากรู้ไหมเดิมนี่มันเป็นยังไงเดิมนี่พวกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีพระเจ้าอุปโลกนี่ไม่มีเดิมนี่มีพระเจ้าองค์เดียว และมนุษยชาตินี่ก็อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์คือรู้จักพระเจ้าองค์เดียวองค์เดียวแล้วเขาขัดแย้งกันแตกแยกกันดั้งเดิมของพวกเจ้าคืออย่างนี้เหมือนคนนี่มาหลอกคนยนึงบอกว่านี่คนนี้คนนี้ไม่ใช่พ่อแม่นะพ่อแม่นคนนู้นเขาก็เชื่อ หลงไปดัมนี่ยยึดคนนี้เป็นพ่อแม่เนี่ยตอดชีวิตนี้เนี่ยคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่จนมีคนมาบอกว่า <c oughs> เรื่องจริงเนี่ยพ่อแม่แท้ๆของเองเนี่ยนี่คนนี้กับคนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนี้ไม่ใช่นี่แล้วเราจะไม่พบใครที่จะเล่าเรื่องแบบนี้คัมภีร์ไหนหรือตำราไหนในโลกใบนี้เหมือนในกุรอัต เพราะไม่มีครมีสถานะที่สามารถเล่าเรื่องจริงแบบนี้เรื่องดังเดิมเรื่องเก่าแก่ที่สุดกทาบอัลลุบาใครจะรู้เรื่องรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยดีกว่าอัลลุบอ มาการะนานั้นอิ่ lle อุมมะตัวเดียวๆฟัคตัลลัฟูแล้มนุษย์นั้นม่ใช่หน่งเดนอกจากเป็นภาษาชาติเดียวกันอุมมะทันวาหันฟัคตัลลัฟูแล้วพวกเขาก็แตกแยกกันนักอธิบายกุตัานเนี่ยทั้งหมดเลยเขาบอกว่าหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยดั้งเดิมนะเป็นกลุ่มเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันก็คือมีพระเจ้าองค์เดียว เนี่ันดูกะอิมามบุอับดุลลาบบบสดเรื่องนี้แล้วเลมเดียวก็เรื่องนี้อับดุลลาบนียบบัสได้เจลวเองลำพันความรู้เนียบบสไม่เพียงพอที่จะเล่าเรื่องนี้ทำไมเรื่องเรื่องเก่าแก่มากคุลามาเลยบอกว่านี่เรื่องที่อับดุลลาบเซ่เล่านี่นะต้องเรื่องที่มาจากไหนนะบิบบุลละนะอัลเลาะห์บิบบุลละแล้ววิาฮาริสขลิกวล لفظا المرفوع حكما มาคุ้มแปลว่าคำพูดของสหายมาฟัวคำพูดของนบีเขาก็บอกว่ามาคุ้มคุณเลิฟจนเลิฟจนโดยสมนวนนี่ก็เป็นคำพูดของนายอับบาสแต่โดยเนื้อหาเนี่ยนะฮุคแมนโดยเนื้อหานี่มาจากนบีน้าลิสุนนบีอับดุลลาฮ์อันยับบาสบอกฮุลละบอกว่าบอกว่าระหว่างนบีอาดมจนจนบีนูนี่ عشر าตุคุุนสบยุ หรือสิบศตวรรษยุคนี้ก็แล้วแต่บางคนก็นับเป็นร้อยปีหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าระหว่างนบีอาดัมถึงนบีโนเนียสิบรุ่นสิบยุคหรือครุกรูรุเนี่ยสิบยุคการวารดีในสุเฮะในสิบรุ่นสิบยุคนี้นะเขาอยู่ในศาสนาที่ถูกต้องคือพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮฺเนาะบัสถ้าไล่ตามประวัติ ที่มีในบรรดาคำพีอันนี้เขาเรียกกันประวัติประวัติคลาสสิกส่วนมากนี่ก็มาจากโตราหรือคำพีเก่าเขานับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่ น, นบีอาดัมถึงนบีอีสานี่ท่านนบีศาสดาพระเยซูเนียประมาณหกถึงเจ็ดพันปี ถง่านบีมุฮัมมัดสุลตานและลัมก็ประมาณประมาณเจดันเกือบแปดพัปีแสดงว่าระหว่างท่านนบีอาุดัมถึงกันนบีถึงอับดุลลาห์เนบบัสก็เกือปีอะอับดุลลาหนียบบัสรู้ยังไงต้องเป็นวาหิุต้องเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์แน่นอนอ้าวแล้วก็อับดุลลเนียสไม่ได้เป็นนบีก็แสดงว่าอับดุลลเนียบสเอากนบี สุนัขะสัลเรื่องนี้เนี่ยใ น, นกลไกของการรายงานในอะฮั ด, ดีสเนี่ยอุลามาก็ได้ได้จัดระเบียบไว้แล้วว่าถ้าฟังสัฮาบะบางท่านเนี่ยพูดอะไรที่เป็ไม่ได้ที่สัฮาบะจะพูดเนี่ยแน่นอนแหล่งคือแหล่งความรู้ของสัฮาบะไม่มีเยอะหรอก <laughs> มีเยอะหรอกและสัฮาบะไมไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อถือศาสนาสัฮาบะเนี่ยเขาเอาแหล่งเดียว เพียงสอบบ้าบางท่านที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากคัมภีรจากบาดหลวงยอะหน่อยนักตรวจสอบพอดีว่ก็ให้ระวังสอบะ้าบางท่านเท่านั้นเวลาเขาร่งงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเก่าแก่เนี่ยก็อาจจะเอามาจากคัมภีรเต่าหรือคำภีอินทรียก็ได้ไม่ได้เอามาจากท่านนะบิสซอลลัลลอฮฺวาลลอฮ นี่อิมามบุค h a r i เรตุรสอบเรื่องนี้ก็จึงเอาเรื่องนี้มาเร่งการเนี่ยไบุค h a r อับดุลลาบีเนี่ยบ้าสบก็เรื่องนเบียอัตมถึงในบียนัวเนี่ยสิบรุ่นเขาไม่ไม่รู้จักชิริกเงิดไม่มีล้วเมียกุนฟี่หิมเชิดกุนไม่มีชิริกเลยไม่มีการทั้งภากีกับพระเจ้าเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเป็นไปได้คือถ้าเราเชื่อแล้วว่า ท่านนาบีอาดัมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์และเชื่อตามกุรอ่านหรือตามการแจ้งราย ง, งานของชีวิตของท่านนาบีอาดัมเนี่ยว่าพระเจ้านี่สร้างสร้างท่านนาบีอาดัมแล้วก็ออกจากสวรรค์ด้วยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสามนนะพอท่านนาบีอาดัมลงมาแน่นอนท่านนาบีต้องพยายามที่จะให้ลูกหลานท่านเนี่ยอยู่ในร่องในรอย ของหลักการของคำสอนในมากที่สุดสิบรุน่นไม่มีเชดิกฟักเตลลฟูฟักเตลฟูฟลฟมหม่ยถึงว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยสิบรุ่นเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ในแนวทางเดียวนี่นี่อธิบายนักอ่านาธิบายอาย่างนี้กันหมด เอาละที่เขาบอกว่าอุมม่ากันนัุ้ดอุ่มม่าท่านวะฮิดะนั้นเขาเป็นประชาชาติเดียวกันประชาชาติเดียวกันซึ่งถ้าเป็นนักแปลภาษาไทยเนี่ยเขากูรานภาษาไทยเขาก็จะแปลอุมม่าท่านก็จะแปลว่าประชาชาติเหมือนกันแต่ถ้านักผูชศกษานักการที่ไปกูรานปราที่เป็นอาหรับนะเขาจะไม่แปลแบบนี้เสมอเพราะคาว่าอุมม่า อุ้มมาในคุรานเนี่ยมีสามความหมายหลักหนึ่งความหมายแรกนี่ก็คือกลุ่มกลุ่มใหญ่อะจะเป็นจะเป็นกลุ่มผู้ศรัทธานะในกุรานก็ใช่เาะกได้ก็จากลุ่มอุมมะนวัสดุกลุ่มใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ศรัทธาหรือเป็นกลุ่มผู้ปิสัทธานี่ก็ใช่มีในคุราน และอุห ม, มานี่แปลว่าหนึ่งคนเดียวเอ้าใช่เขาบอกว่าอุห ม, มาเนี่ยอยู่ในบรรดาบรรดาคําคําศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มันมีความหมายสองความความหมายและความหมายตรงข้ามในภาษาอังกฤษนี่มีเยอะอยู่ความหมายและความหมายตรงข้ามอุห ม, มานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น อุ้มม า, มมมป า, เ, um ามเป็นุ้มแลวม่เป็คนเดียวเช่นอินอิบรอฮิมก็เป็นอุ้มแต่นี่มันก็มีในย่าไงวะนี่หมาอิบรอฮิมมีความเข้มข้นถึงแม้ว่าเขาเป็นคนเดียวนะแต่เปรียบเสมือนเป็นกลุ่มมีใ น, นย่าอีกความหมายหนึ่งอุมมาเนี่แปลว่าแนวทาง ไม่ใช่กลุ่มแล้วนะแนวทางและนี่หนึ่งในความหมายที่ผู้รู้เขาได้ได้ตีความไว้มากั้นแต่แม่สูอิลลามมาจนวายห์ในมนุษยชาติทั้งหลายไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากแนวทางเดียวกันไม่ใช่ประชาชาติเดียวกันนะแนวทางเดียวกันฟักต์ละวูและวกเขาก็แตกแยก แต่แยกตรงนี้นี่ตามอธิบายของอับดอัลโดล็บเนี่ยมับบนสิหมายถึงว่าได้ตั้งพาคีแสดงว่าความแตกแยกที่รุนแรงยิ่งใหญ่ที่สุดเลวร้ายที่สุดการที่มนุษย์เนี่ยแตกแยกออกจากคำสอนใหญ่ให้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนี่คือความ แตกแยกและนี่คือความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่รุนแรงที่สุดความแตกแยกนี่ก็คือชิริคความแตกแยกความขัดแย้งนี่ก็คือชีริคและความแตกแยกที่สัจนาห้ามไม่เกิดขึ้นนี่ก็คือเรื่องทํามชีริคและความขัดแย้งี่ความขัดแย้งไม่ศักจะทําในเรื่องใหญ่แต่วิธีนี่คือการให้เอกภาพแด่ลสุวรรณวัดานาอง์เดียวนี่อันนี้อันนี้คือเรื่องที่ห้าม m ้ามขัดแย้ง เรื่องอนี้นะ เ, นนนเรื่องนี้นี่มีมความขดัดแย้งมีสองทศน่ะเรื่องนี้นี่ยมีมีความขัดแย้งมีสองทศน่ะนี่พอได้บุได้อัลลอฮ์อัลลอฮ์มีองเดียวเรื่องนี้มีความขดัดแย้งมีสองทะไม่ได้มันเป็นเรื่องโจกนะเรื่องไม่ใช่เรื่องโจกเรื่องเรื่องเล่าจริงแต่มันเป็นเรื่องตลกไง ว่มีผู้รู้คนหนึ่งไปเรียนที่อาสัดแล้วก็เรียนเก่งมากเรียนเก่งจนปรมาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาสิน้นสมโอ้โหนี่เก่งแบบนี้เนี่ยเกิดในครอบครัวแล้วก็มีครูอบาอาจารย์สอนอย่างดีบ้างเขาก็โม้ไปเรื่อยเขาก็บอกว่ใช่บิดาฉันเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นคนมีความรู้ดังชื่ อ, องุ้นอย่างงี้ ก็มีวันหนึ่งก็พ่อเขามาเยี่ยมพ่อเขามาเยี่ยมาคนก็เจออ๋อเนี่ยในเมื่ออยอมมาแล้วนี่เดี๋ยวให้เความาบัญยายสักหน่อยหนึ่งนะมาให้ความรู้หน่อยตอบปัญหาใ ห, ให้ความรู้กับพวกเราหน่อ ย, อ ส, วยสวยเลยพ่อเขารู้ว่าพ่อเขาไม่ได้เป็นผู้รู้เนี่ยเขาก็ไปบอกบอกบอก็พ่บอบ อ, บอกว่านี่ถ้าเขาถ้าเขาถามอะไรเนี่ยก็อบอกว่า เรื่องนี้หนีมีสองทศนะแล้วเดี๋ยวผมจะตอบจะพูดต่อเขาก็ถามกันไปเรเรื่องนี้เป็นยังไงอ๋อเรื่องนี้มีสองทศนะอ่ะแล้วก็ลูกเขาก็พูดต่อจนมีคนรู้เอ็มันแปลกๆเขาก็เลยถามว่าอัลกุลเรืออลลอฮ์ี่มีข้อสงสัยไหมหมายถึงว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงมีอัลลอฮ์มีองค์เดียวอย่างเงี้ยมีข้อสงสัยไหมก็บอกว่าเรื่องนี้มีสองทศนะ มันก็เลยกลายเป็นการเป็นเรื่องที่ผู้รู้ในเวลาเขาบอกว่าเวลามีเรื่องที่เป็นเอกฉันในอิจมานะหรือจะมีหรือจะมีสองสองศาสนาเขาแซวกันผู้รู้อะไรเขาแซวกันนะเรื่หรือจะมีสองศาสนะมันเป็นเรื่องอิจมาไงมันมีสองศาสนาไม่ได้อิจมาเนี่ยแปลว่าเอกฉันนั่นะทุกตัวบทในกุรานกรือะดีสที่จะพูดถึงเรื่อง ความขัดแยงความแตกแยกก็ต้องถูกตีความในทํานองนี้ความขัดแยงความแตกแยกที่ทำให้มนุษย์เนี่ยออกจากคําสอนอย่างสิ้นเชิงโลกศาสนาคือความขัดแยงความแตกแยกในเรื่องอะไรเรื่องตัวฮีตเนี่ยเรื่องการที่ ใีอัลลอฮ์ Allah องเดียวนี่ถ้าว่าขัดแย้งในเรื่องนี้นะอัลลอฮ์ไม่ใช่องเดียวไอ้แบบนี้ไม่ใช่วุสลิมไอ้นี่ไอ้ น, น, นี่ที่เราจะเรียก ว, ว่าความแตกแยกที่ออกจากศาสนาอย่างสิ้นเชิง น, นอกจากนั้นนะนะถ้ามีพูดถึงเรื่องความขัดแยง้งความแตกแยกนี่หมายถึงว่าในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ยยนี้สิฮะดีสี ชอบมาเคิวกันเหมือนหมากเลยนะประชาชาติกองแตกแยกกันหลายจำพวกประชาชาติของฉันนีจ่จะแตกแยกกันเจ็ดสิบสามจำพวกก็มมีบอกว่าประชาชาติของฉันน่ะแตกแยกเจสิบสามจำพวกถ้าหากว่าเจ็สิบสามนี่มีเจ็ดสิบสองจำพวกเขาขัดแย้งในเรื่องใหญ่ ไหนด้วยเงินได้หากรีได้ที่ทําให้ตกเส้นะไรยังจะยังจะเหลือยังจะเป็นประชาชาติยังจะเป็นอุมมะของของท่านนบีเราไม่ไม่ไม่ได้แท่านนบีบกว่าอิฟตระว่าจะทิ้อุหมะที่และประชาชาติของฉันจะแตกกันเป็นเจ็บสามจำพวกก็แสดงว่ายังเป็นอุมมะและแสดงว่าสิ่งที่เขาแตกแยกกันและขัดแย้งกันไม่ใช่เรื่อง อุปสรใหญ่เนี่ก็หมายถึงเรื่องอาคิด้ใหญ่คืออะไรล่าให้ละหล่ะมูฮัมมัดุลรั้วูละไม่ใช่เพราะจะหาว่าแต่เกี่ยวกันในเรื่องใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่เหลือแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นประชาชาติของท่านนบีแล้วถึงต้องที่อาละก็ด้กันเรื่องอะไเขาขัย้งกันเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องที่ทให้เาตกศาสนาอย่างสิ้นเชิงสอดคล้องกับสอดคล้องกับไออนี้เลยฮักเตลฟู อันนี้ขัดแยันขัดแกันูนนรงนนบบว่าเนี่ยขัดแยกันหมาถึงอะไรงานกิจกาะไรงานกิจการยช่นะไรยังเช่ไม่เชื่อฟังผู้นำมั่งงี้นะไม่เช่อฟูไม่เช่อฟูฟังผู้นำยึดแนวอิจวานี้รเป็นอคดงเงี้ยเนียเนียเป็นความขัดแย้งเรื่องอดรเป็นสิบไม่เป็นไ แล้วเอารืวายะที่มันอ่อนก็คือที่นบีบอกว่าทั้งหมดนี่ตกนรกซึ่งเ uh รื่องนี้มีความขัดแย้งรหว่าอุลามะว่าใสยธรรมะถ้าสานะอุลลามะส่วนมากของอุลลามะที่ตรวจสอบแสดงงานอันนี้ว่าตอนนี้กุลลุอาฟินนารทั้งหมดเนี่ยตกนรกยกเว้นหนึ่งนี่นะอันนี้ดอยฟอันนี้ดอยฟและถ้าดอยฟแสดงว่าหุ่ของมันเนี่ยเอามาใช้เอามายึดเป็นอาคีได้ ถึงขนาดที่ทะเลาะ ก, กับกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้หนิคุณเอาหาดีสซอยนี่มาทะเลาะ ก, กับคนอื่นได้ไงเอาให้ชัวร์เดียวเอาเอาฮาดีสซี่มันชัวร์ๆแล้วก็ค่อยทะเลาะ ก, กันฮาร์ดิสมันยังดอยอยู่ยังไม่ชัดเจนอ่ะอย่างน้อยนี่นะเป็นหาดีสเป็นเป็นท่อนที่มีความขัดแย้งระหว่างอุลลมะว่าซอยหรือไม่ซอยถึงขนาดที่จะเอามาขีดเส้นกันเลยนะและขีดเส้นในเรื่อความเข้าใจด้วยนะว่าทําไมเข้าใจแบบนี้นนะ เขาไม่ใช่มันัสสลักด้วยถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ชาวสลักด้วยไม่ใช่เลยตัวนบีก็ไม่มีคําชับวบอกความเข้าใจนี่คือความยุวยของท่านนบีชาวสลักก็ไม่มีหลักฐานเลยว่าความเข้าใจแบบนี้คือความเข้าใจของสลักเลยไม่เลยนะความขัดแย้งที่อยู่ในที่ที่ผู้ที่ระบุในอะติสเนี่ยหมายถึงว่าความขัดแย้งในทุกเรื่องโยเกิร์ตเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเรื่องเรื่องเป็นหรือไม่เป็นพุทธคา ได้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงระดับอย่างอย่างเรื่องเรื่องความเห็นเกี่ยวกับโซฮาบะนี่เรื่องใหญ่แต่เรื่องนี้ไม่ทําให้ตกศา ส, ะสะนาและคาว่าตกนรกเนี่ยไม่ไดีหมายรวมว่าจะต้องตกนรกอย่างแน่นอนคําว่าตกนรกนี่หมายถึงว่าเขามีความขัดแย้งในเรื่อง บังเรื่องเรื่องบางเรื่องสำคัญบางเรื่องอาจจะไม่ไม่ถึงสำคัญมากแต่อาจเป็นเหตุถ้าไม่ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องตามตัวบทหลักฐานและปฏิบัติตามความถูกต้องน่ะอาจเป็นเหตุที่ทำให้ต้องถูกลงโทษในนรกอันนี้ทั้งหมด น, นี่บนสมมุติฐานว่าว่าท่านนี้มันไรนะไม่ได้หมายถึงว่าตกนรกในศาว่าต้องตกนรกเสมอไม่ใช่ มืนะดีบันทึกบุคคลใมุสลิมท่านนบิซัลลาห์อัลลอฮ์สั่งบอกว่ามาอสฟัลล์คาบัยนีฟินนารคนที่สวมเสื้อผ้าผู้ชายนะตายตุมนี่ฟินนารฟินนาร์โบราณไม่รู้ปนะอืมทเลยเเลยใครนุงกงกยาวใครนุ่งตบยาวน่นี่นรกนรกนรก ไม่เสมอไปเพราะแม้กระทั่งงานนี้นี่ก็มีความเห็นระหว่างบรรดาอุลามะประกอบด้วยตัวบทอื่นๆว่าหมายถึงว่าตกนรกนี่ในกรณีที่เขาที่เขาใส่กางเกงยาวหรือโตบยาวหรือเสื้อผ้ายาวยาผู้ชาย่นะแล้วก็มีความยะโสมีความมีความชอบโอ้อวดอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเพราะมันจะเป็นบาปเกี่ยวกับเรื่องนับสูเรื่องเรื่องมารยาทจิตใจซึ่งมันเป็นบาปใหญ่ไง เกี่กเรื่องนี้หรืเปล่าหรือในทุกกรณีถึงในทุกกรณีการกระทําอันเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ถึงทําแล้วก็จริงอะนะไม่เสมอไปที่จะทําให้คนที่ทํานั้นอะต้องเข้านรกหรือตกนรกเสมอไปนี่เป็นอากีน่าของอัลลุซุนนาวัจมะอัลลอุซุนนาวัลแจบว่าคนที่ทํำบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยเป็นไปได้วอนเกมมะเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อภัยเลยนี่อัลลุซุนนาวัจมาก็บูด รวมถึงความเชื่อนี่ไม่รวมถึงความเชื่อด้วยถ้าไม่เป็นกูฟอรถ้าไม่ตกศาสนาฮะคนที่มีบิดาบิเบือนเรื่องศา ส, สนาเรื่องความเชื่อแต่ไม่ยอมต้องยอมรับว่าไม่กาเว่นนะยอมรัไม่กาเนะ ว, วาา่เป็นไม่ได้ไห่วะเราจะจะให้อภัยเป็นไม่ได้ไอ้ที่เป็นไปได้ในใครพูดอาร์โซูนเจมะมาเป็นอากิด้าของเขาเลยแล้วเราจะมาพูดยังไงอ๋อ จงพวกกนอนื่นนี่เนี่ยพวกดาวา่าอีกวานุพวกนี้เนะี่ยนรบทั้งนั้นนะ่ะนะแล้วพูดด้วยความมั่นใจด้วยนะฮะเหมือนใบแดงอยู่ในในในก็แล้วเหมือนใบแดงเมื่อไหร่จะนี่เนช็คทันทีได้เลยนะเชื่อเลยกันนะว่านี่ปัญหายเป็นปนายใหญ่เปน็นนายใหญ่ถ้าถ้าคนที่ไม่ไม่รู้ตัวเองไม่ทอมตัวตัวเองกันนะ สถาบัานาตัวเองเป็นคนแจกนรกสวรรค์โดยไรเหิฐผลไร่ไร้หลักฐานไร่หลักการอเนะี่ยอันตรายมากทาไมรู้อ่ะอย่าว่าจะไปแจกนรกให้คนอื่นหรือสวรรค์เนี่คนตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยไอไอคนที่มีใบแดงใบเหลืองอยู่ในีกระรังแจกตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะไปไหน เลี้ยงจะมาชี้ชาตาคนอื่นนะวนี่นรกแล้วก็ตัวเองละ่ะนะฉันนี่แจกนรกไปแล้วเนี่ยฉันก็ต้องเป็นชาวสวรรค์เสียแล้ว ก, กชาวสวรรค์เสีคนที่จะไปแจกนรกนี่ก็ต้องเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่เหรอง้นบ้ากลังจะสื่ออย่างังินใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่านีอะไรพวกกลุ่มนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นนรกและและตัวเองอะ แล้วตัวเองอ่ะชาวสวรรค์ใช่ไหมก็ไม่ใช่เขาต้องยอม้ะเพราะถ้าเขาพูดอย่างอื่นนี่น ะ, ะไม่ใช่ไอ้หนุษอนเจมานไม่ใช่มุสลิมแล้วคนที่ฟันธงว่าตัวเองนีบเป็นชาวสวรรค์นี่นะเป็นนบีซะละเนะเป็นนบีะละสิและการที่เราได้หมุนเข็มทิศเรื่องความขัดแยง้ง มุ่งไปสู่ความขัดแยง้งประเด็นย่อยไม่ใช่ประเด็นใหญ่บรรทอนศักยภาพของผู้ศรัทธาที่จะแบกภาระของบรรดานบเบียและรอซูลที่แท้จริงคือการเชิญชวนให้คนเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเดี๋ยวนี้ดูสิ เชิญส่วนนี้ต้องมาเชื่อในมันฮัทนี่ต้องมาเชื่อในแนวนี้ต้องฟังอาจารย์คนนี้ต้องฟังเสี่ยคนนี้ด้วยมาอะไรก็ร่งใหญ่ละเฮยต้องมาคุรอารนี่ต้องมาฟังคุรอานต้องมาดิุรอานต้องมาเชื่อในพระเจ้าองเดียวอากิด้เดียวเลาพูดถึงอากิได์ตอนนี้เนี่ยเฮ้ยคนนีอากิได้ไม่ถูกคำว่าอากิได้ของเขาเนี่ยในในยะนะฮกิได เาด่าได้เลกินได้กีบาทได้เปล่าขอรามาว่าาบอกว่าออากไดไม่ถูกทาไมเากกได้อิสลามียะนะกได้ศาสนาอิสลามเขาก็อ้างากินได้อิสลามีะแต่ต้องต้องกรองก่อนกรองยังไงใครกรองล่ะเอามาจากทาอะไรมากรองล่ะมาทานไม่ใช่กอานะไรเะเนี่ยอากินได้จกต้องเนี่ยมาตรฐานไม่ใช่ไม่ มาตรฐานเนี่ยคุณต้องคุณต้องผ่านเพจนี้ก่อนคุณต้องผ่านบรรยายนี้ก่อนถึงจะพระนเนื้อคิดได้ถูกต้อง<ม>แล้วบุญอาฮดิสละ่ะไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือไง น, นี่เปนเรื่องจริงนะแล้ว้ายแรงไหมละ่ะเป็นรื่องที่น่าเศร้ามากถ้าจะพูดใน ในหมู่คนที่เขายอมรับในในคุรุอ่านลาหาดีสอแล้วเนี่ยว่าอ่ะที่จริงแล้วเนี่ยมาตรฐานที่เราต้องยึดมากที่สุดนี่กคือคุรอ่านลาฮานีสไงไม่ใชคนเนี่ยคุรรงนี้มาืนนั่ง น, นี่เนี่เหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยที่จะให้คนเชื่อว่าไม่ใช่คนนะ่ะถึงแม้ว่าคนคนนั้นนะ่ะจะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นผู้รู้จะเป็นอุลมามะจะเป็นครนระดัไหนกระดับไม่ใช่คนนะ ที่จะเป็นมาตรฐานชีช้ชะตาหรือกาหนดที่ทางสัจธรรมที่มันถูกต้องที่สุดนี้ไม่ใช่ใช่อาร์กิไดที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยพี่น้องลองเอาเรื่องนี้ไปทำการบ้านไปคิดกันเองที่เขาบอกว่าอาร์กิไดที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ตอนนี้ใครเป็นค น, คนกําหนดอาร์กไดถูกต้องไม่ถูกต้องตอนนี้ตอนนี้ ใครเป็หคนกำหนดนะว่าคนนี้หลงคนนี้ไม่หลงคนนี้แตกออกจากอเลสซานโดรมาคนนี้อยู่คนนี้ไม่อยู่ในแนวทางนี่ตอนนี้ใครผมมา ด, ดูดูในโซเชียลนี่แปลกมากนะครับบางทีนี่เป็นเป็นเป็นเป็นคนนี้ยังไม่มีความรู้เลย นีไม่ได้เรียนรู้ไม่ไม่ไม่ได้เรียนกับผู้รู้ไม่ได้อ่านตำราไม่ได้จบตำราไม่ได้จบการเรียนรู้ที่ถูกต้องที่ตามขั้นตอนโหนั่งโต๊ะเป็นอาจารย์กันละกลุ่มนี้และบางทีในกลุ่มหนึ่งเช่นกลุ่มตบลีกัน่ะพี่น้องกลุ่มดาวน์กลุ่มดาวน์นี่ภาษากรนเกือบสามสิบล้านนะกลุ่มดาวน์นี่นไม่ยาลคือนั่งนั่งเนียนั่งกินน้ำชา งคนนี้ได้ยินว่าท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุวลอฮิวซัลลัมมาแล้วที่ศสนาแล้วมารับอิสลามนูนะับนบีเสียชีวิตไม่กี่วันยีสิบกบีรู้ว่ามีนบีแต่ยังยังไม่อาแต่าก็ยังประวิงเวลาครันเมื่อเขารับแล้วสัจธรรมแล้วนี่ Allah จะตำหนิหมไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยแล้วก็หลักฐานนี่ไม่หลักฐานนี่ตรงกันข้ามเลยไม่มีเลยนะคนนี้คนนี้ใช้ชวชีวิตของเขานี่หรือตลอดชีวิตของเขาเนี่ไม่เอาสัญญาธรรมแต่มันปนี่มาเอาไม่มีนะที่เอาจะมาตทำนี่บอกว่าทาไมจกช้านะทำไมทําไมเดินอย่างกระตาอย่างเงี้ยหาสัญญาธรรมเหมือนเตาอย่างเงี้ยไม่มีตำหนิเลยนะ สังเสริมด้วยซ้เมื่อได้รับสัจจะจแล้วเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอ์จะเปิดประตูอย่างกว้างขวางไม่ตำหนิเลยท่านนบีก็ไม่เคยตำหนิเลยคนที่รู้จักนบีมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมารับอิสลามรู้นก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีมึงรูหายไปไหนมาอะไรเงี้ยไปอยู่ไหนมาเราะบอิสลามกันเพิ่งจะมารเพิ่งรู้หรือเพิ่งเห็นน่ะ วัลลังกาลิมาตุลและหากิชลิขิตลิขิตเนี่ยส่วนมากในภาษาไทยส่วนมากนะในภาษาไทยลิกิตคือเขียนลิกิตเขียนส่วนมากใช้ภาษาพระใช้มากใช้ลิกิตก็แลต่ลิกิตนะภาษสังฆราชลิกิตฟาลิกิต แต่มันก็เขียนนะ่ะนะลิขมันมันความหมายในืยะของมั น, มนเขียนแล้วเราก็ได้ยินบอกในในในในวันนักดีไทยเนี่ยคําว่าลิขิตเนี่ยคือสิ่งที่ถูกกําหนดไปแล้วเทียบแล้วกับความเชื่อที่เราเชื่อนี่ที่ไม่เชื่อข้อดอและข้อดันะกฎสภาวานะลิขิตเอ้ยนะมันเป็นลิขิตหมายถึงว่าถูกกําหนดไปแล้วความหมายมันก็มันก็พอได้ แต่มันมันก็ยังไม่ค่อยตรงเพราะคำว่าลิขิตเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดลิขิตเนะี่ยมันไม่ใช่วาจาฉะนั้นอาจารย์ดิเรกุลเซริสวัอาจารย์นิบุรยมกุลชีเขาแปลคำว่ากลิมานเนี่ยเขาบอกว่าแล้วหากม่ใช่พระพุทธชนะ เอออันนี้อันนี้อันนี้ตรงกว่าพระพุชน so, so, ่าสวยนะถ้าไม่ย well, ิบพุชน่าพระพุชน่านี่หมายที่งค์ไม่ใช่คำบัญชาขององล์เราและคําบัญชาของเรานี่ที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่ามากุณนามุฮซบีนฮัตตอร์นะบาซารสูละสุไลสระเราจะไม่ลงโทษใครใดๆเลยแตกว่าเขาไม่ได้รับองค์การระซูลมีมาบอกมาเล่ามาสอน ว่านี่ถูกนานนี้ถ้าเขาไม่รู้นะเรายังประวิงเวลาให้เขาถึงขนาดที่อัุซุนนาวัลจมาะนี่ส่วนมากที่สะนะสับสนุนมากาอัลลอุซุนนาวัลเจมาร์ว่าคนนี้ไม่ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้คําสอนของพระเจ้าอย่างเพี่ยงแท้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสิ้นชีวิตไปเสียก่อนตายไปก่อนนะ ไปในสภาพที ي ي ر ر ่ยังไม่ได้ศรัทธานะยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้รับรู้สัจธรรมนะอัลลอฮุสุลเลาะห์มาส่วนมากนี่เขาบอกว่าเป็นอฮลุลฟัตรอเป็นเป็นช่วงเวลาสูนเนียขาดช่วงเวลาที่ไม่มีนบีรัสูลล้ลซุศรนวลจะมาบางกลุ่มบางทศาสนะเขาบอกว่าบิดานบีบิดามานดาณบีอยู่ในยุคนั้นอยู่ในยุคที่ ไม่ท่นนบีอีสาแล้วก็ไม่ท่านนบีมุฮัมมัดพ่อแม่นบีเสียชีวิตก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะเทศนาจะประกาศตัวเป็นนบีจึงไม่รู้อุตรอ่านหะดีสละการอะไรเลยนช่นถ้ากทำชริกกันมาอะไรเนี่ยเขไม่รู้ไม่รู้และกานี้เสมอต้นเสมอปลายนะทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันใครทำชิริกชริกน้ถึงกันชริกนะแต่ไม่รู้ไม่เคยรับรู้เลย เพรงศีกนี่มันผิดยังไงมันอะไรยังไงมีพระเจ้าองค์เดียวไม่เคยรับรู้อะไรเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอนุสตรามงคลถึงแม้ว่า่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งสมมติฐานว่าสมมตินะฮะชาวเกาะชาวเขาชาวป่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเจอกันนะเอออยู่ในสภาพดั้งเดิมของธรรมชาติเนี่ยมีเรื่องอะไรเลยนะแล้วพวกนี้ก็บูชาอะไรอ่บูชาฝนบูชาฟ้าผ่ า, า, าบูชาอะไรพวกนี้ อืออลลอฮ์ Allah จะเอาโทษไหมแล้วถ้าเขาตายละ่ะถ้าเขาตายในวันเกียร์มาเนี่อัลลอฮ์จะสอบสวนอีกรอบหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เข้าห้องสอบแล้วก็ถูกทดสอบถูกตั้งคําถามดูอะไรบงมีมีรายงานหะดีสนะถึงแม้ว่าน้อยหน่อยแต่รายงานหะดีสเนี่ยมันพอที่จะให้เห็นว่าเออมีความยุติธรรมอัลลอฮ์ Allah จะให้มีกองไฟแล้วก็สวรรค์ แล้วก็สั่งให้พวกเนี่ยพวกออรฟัตเรเนี่ยให้เข้ากองไฟถ้าเขายอมเข้ากองไฟแสดงว่านี่อยู่ต่อนหน้าเอานอแนีนะ่ะเชื่อฟังนี่ยอมที่จะเข้ากองไฟนี่แหละคนที่รอดแต่เ้าก็บอกว่าเฮ้ยไม่เข้าอ่ะนี่ขนาดอยู่ต่อนหน้าเอานอละและ้วจะอยู่ในดุนยานี้เหมือนพวกเรานี่ยแหลงไม่รอดอ่ะไม่รอดหรอกอีขนาดอยู่ต่อนหน้าเอานอแล้วบอกว่าเข้านารกนี่ มีผู้สถานในโลกดุนยานี่นี่ถ้ามีอายะบอกว่านี่เข้านรกนะเข้าฝ่าของเข้าเข้าด้วยความเชื่อใช่ไหมแต่อยู่ตอนนั้นเลาเราไม่ยอมเข้ากองไฟนี่แสดงว่าแสดงว่าเนี่ยพวกผู้ปฏิเสธที่แท้จริงมีแสดงถึงความยุติธรรมของพระเจ้าต่อมนุษย์ข้อมูลแบบนี้ข้อมูลล็กๆกแบบเนี้ยที่และผมนําเสนอเรื่องนี้บ่อยโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ย เพื่อให้พวกเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เรียนกุตตานคนที่เรียนกุตตานต้องหูตาสว่างมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ตาโตานะในในบรรยากาศเนี่ยเราต้องสมมุติฐานบ้างเราต้องเผื่อไว้บ้างว่ามีคนในยุคเนี่ยไม่ไม่ได้รับรู้สัจธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปได้ต้องเผื่อไว้บ้างเพื่อ ในการกล่าวหาในการเชื่อในคนอื่นหรือมีความเคืองในคนอื่นโอ้ย อ, อยู่ในยุคนี้แล้วยุคยุคอินเทอร์เน็ตนี้แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนี่เป็นไปได้ว่ามีคนถูกบกปิดถูกปิดบังถูกบิดเบือนความจริงเสียดธรรมจนไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ความจริงและนี่คือดัชนีของเชคยูสุบัลการะตาวีบกว่าเป็นไปได้ไหมว่ามี อาลุฟัตรยุคศูญยากาศในยุคนี้บอกว่าเป็นไปได้และถ้าใครที่ศึกษากลไกของสื่อตะวันตกในการบิดเบือนความจริงอะนะสามารถรู้ได้เลยว่าความจริงและสัจธรรมเนี่ยอาจไม่ถึงมนุษย์ทุกคนอย่างข่าวสะอาด อิสลามเนี่ยทุกคนต้องได้ยินในอิสลามเพราะเจานาฮดบีเนีนบีบอกไม่มีใครได้ยินเรื่องราวของฉันเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมศรัทธาในเว้นแต่เขาในโลกในโกนี้เนี่ยมีใครเปอินเทอร์เ็ตีมคดินมุฮัมมัดอิสลามอัลลอ์ุรานได้ยินกัน่นั้นะแต่เขาได้ยินเรื่องราวของอัลล์มุฮัมมัดุรานยังไงอ่ะุรานเนี่ยเป็นตำราศศาสตร์ มีมุ hammad เนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นบาทหลวงที่บิดเบือนศาสนาที่แท้จริงเขาไปโบสก็มีคนสอนแบบนี้พอเขาไปดูในไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาาไม่ถึงอ่ะเขาไม่ถึงหรือ บ, บางทีเนี่ยความสามารถเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมื อ, เ ร, อ, ม เ, ร อ, มอเรื่องภาษาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เอือ้อกว่าจะถึงนู่นอ่ะมันมันก็มีมีด่านที่จะทําให้เขาเนี่ยดัก ให้เขาเนี่ยกลจะถึงข้อมูลที่ขาวสะอาดนี่นะมีดักเอ้ยทําให้เขาสงสัยละฮะเขาเห็นเออคนนี่ก็ใส่หมวกใส่โต๊บสีขาวไอ้คนน่ารักนะเขาอะไรเนี่ยถ้าเสือนี่ยเขาไม่ไม่น่ารักนะพวกนี้ขอกระไรอย่าเข้าใกล้มันนะเนี่ยใต้โต๊บนี่มันมีมีดอยู่นะมีมีดอยู่นะเข้าใกล้ในโดนชืดนี่ล่นะ แล้วก็ชวยสตกันอนะันนีไม่ีใ่บกันงั้นนะเหรอแคน่มีอะกี่กรสคามกี่กเรื่องสนกสคามนี่กุอานสังหขาเลยนะนี่เนี่ยมนี่เนี่ยคงมันเนี่ยโอ้อันตรายเหมือนเลยเหมือนเลยนะระวังอิควานนะระวังอวานเป็นยังงูเป็นยัง ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีใครได้อ่านตำไรควาโดยตรงเลยนะแล้วคนที่ฟังเนี่ยทั่วประเทศนี่ไม่มีใครเคยบอกเออเดี๋ยวฉันขออ่านเองนะขอศึกษาเองหรือว่านอ่านหลงนะเมสมัยททานบีนะวเฮ้ยอย่าเผ้อไปฟังกูอ่านนะกอ่านเนี่เป็นเสศาแต่เองฟังเนี่ยนเิมเลยนะหลงเลยนะหลงเลยเนี่ยพอได้ยินเสียง เนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยเปิด <c> ท <oughs> yep ีว <c oughs> ีได้เสียงไงมปิดปิดปิดๆๆดปกววนกวเขากลัวทีฟังฟังสัก5นาทีเด้อเขากลัวของกลัวโดนโดนของที่จริงถ้าเป็นแบบนี้นะโอ้ยอยู่กับมนุษย์เลยนู่นน่ะโคกเยอะแยะเไยไปอยู่ สมองนี่ไม่มีประโยชน์แล้วแต่เ ม, มีอยู่ในคอกดีกว่ามีหูมีตามีมสมองขนาดนี้นะี่ยฟังไปเลยครับพี่ฟังหมดเลยฟังอย่าปิดอย่าปิดหูอย่าปิดตาฟังฟังเืียงขบุตรอะไรฟังขวาวอะไรฟังทุกกลุ่มเลยฟังอ่านเรามีสมองเราไม่ใช่ควาย ังดิฟังอิควานฟังสักังทุกกลุ่มตั้งเรามีสมองสมองที่เราใช้อ่านกุศอ่านเนี่ยเรามีกุศอ่านมีะดีสเาอย่าเรายังไม่ไม่เลึกเนี่ยเอาอุลามาสักสีหคนเนี่ยมาเป็นมาตรฐานเป็นก็เรียกว่าเป็นไกด์เป็นไกด์ไอ้ติเตือนนะมาเตือนนะยฟังอิควานอย่าดูอีควานอย่ากวนนี่ ตือนกันบ้างไหมอย่าฟังเพลงอย่าดูหนังอย่าดูละครเนอี่ยนะอไม่อันตารายเท่ากับไอ้ขวานไม่อันตารายเท่ากับไอ้ขวานฟังหมดเลยนะฟังส้มก็ฟั ง, ดฟงแดงก็ฟังฟ้าก็ฟังเหลืองก็ฟัง ขวานี่ไม่มีสีอาจารย์ธีริกบอกว่าถ้าไม่ใช่พระพุทธนาฏตัดสินของอัลลอฮ์แล้วอ่ะให้ประวิงให้มนุษย์เนี่ยได้มีเวลาได้มีโอกาสและในขณะที่อัลลอฮได้ประวิงเวลาให้พวกเราทุกคนเนี่ยเสมือนพระองค์ทรงรออยู่รอรอพวกเราทุกคน รอมนุษย์ทุกคนว่าเมื่อใดจะมาสักทีในบันทึกมามุ خار ีและมุสลิมดั่น ل บีซ ل ลล ل ลลอฮุอะลัยฮิวซัลกล่าว่ามันต่อ قرب إليه شبراً تقربت إليه ذراً ผู้ใดที่เข้าใกล้เข้าหาฉันเข้าหาฉันหนึ่งคืบ ฉันจะเ ข, ข, ข้าหาเขาเนี่ยหนึ่งสองว่มันอาตานียมชี้ผู้ใดที่เดินมาหาข้าเนี่ยอัติถูอัติถูหรวเรอเล่นอัติถูหรวเละนข้าจะวิ่งไปหาเขานั้นไมายรวมว่าขณะที่มัก Allah ลลได้เปิดโอกาสขนาดนี้ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยประวิงเวลาให้ทุกคนเนี่ยไตรตรองศึกษาไม่ต้องรีบด้วยไม่ต้องรีบเพรา ะ, ะรเนี่ยกว่าเราอยู่ระหว่างการศึกษาในช่วงเวลาที่ Allah ลลได้เปิดโอกาสประวิงเวลาให้ และเราได้ถึงแก่กรรมแก่อจเจลเสียชีวิตตอนเด่นซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้บอกพระองค์ไม่ได้บอกแต่ละคนจะบอกว่านี่นะทุกตุลาปีหน้าเนี่ยมึงนั่นอะรีบหน่อยศึกษาให้ดีนะเดิมหมดวาระแล้วนะไม่เลย Allah ไม่ได้บอกแล้วเราบางคนศึกษานีิไม่ต้องรียบนะศึกษาศึกษาให้นั่นแน่ให้หักน่นนะสมมติว่าถึงแก่อาเจลในช่วงนั้นนะ และเราอยู่ระหว่างการศึกษาอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาโทษเพราะเราเพราะเรายังมียังมีเหตุผว่าเรากําลังศึกษาอยู่เราไม่ได้ปฏิเสธเรากําลังศึกษาอยู่อุณามาถึงบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าเข้าหาอัลลอฮ์คือเดินอัลลอฮ์จะมาสอกหนึ่งเนี่ยแต่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีหมายถึงว่ารับสัตริธรรมแล้วก็เชื่อศรัทธาในบรอนนั่ไม่ใช่เพราะ ผรู้เบอกว่าคนเรานี่กว่าจะศรัทธากว่าจะตรัสรู้กว่าจะถึงจุดสว่างสุดของสัาธรรมนี่นะเราต้องเดินทางระยะหนึ่งไ อ, ไ อ, ไอ้การเดินทางนี่แหละอลัลอฮนับนับอยู่อยู่อยู่ในการเดินในการเข้าหาอาลัลล คนกําลังศึกษาศาสนากํำลังศึกษาความถูกต้องใจเขาในบริสุทธิ์เขาอยากจะรู้ความถูกต้องเขาไม่ได้เจตนาที่จะเลือกความผิดถึงแม้ว่าเขาอยู่อยู่ในความผิดอยู่เขาอยู่ในความผิดแต่ก่อนที่จะสัมผัสกับความจริงเต็มรูปแบบนันเสียชีวิตแล้ว การที่เขากำลังศึกษาอยู่นี่คือถือว่าการเดินเข้าหาสัจธรรมเข้าหาอัลลอฮฺอัลลฮนับนะอยู่อยู่ในระหว่างการเข้าหาสัจธรรมอัลลฮนับเราค่อยกตัวอย่างเซลแมนอัลฟาริีเซลมัลฟาริสีในีวปรของทนนี่ที่เลืที่สุดเนี่ยนั่สิสิอัลลอลบร่ากุ๊งท่ามุจฮับีเนี่ ตอนท้ายของชีวประวัติเซ ล, ลมานฟอร์ซีเป็นาบะชาวเปอร์เซียนะเขาบอกว่านักประวัติศาสตร์ไม่มีความขัดแย้งว่าไม่มีความขัดแย้งทัศนะหนึ่งนะ่ยไม่มีความขัดแย้งว่าเซอร์ฟอร์ดีอายุร้อยห้าสิบปีแต่ที่เขาขัดแย้งกันที่เขาขัดแย้งกันระหว่างสองร้ถึงสามรอปีอายุเซลมาลฟอร์ดีซเพราะอะไร พอกอลม่านแฟร์ซีนี่ก่อนจะรับอิสลามนะก็จะมาถึงมาดีนานี่นะก็อยู่เปอร์เซียเป็นลูกเป็นลูกเจ้าเมืองใหญ่บูชาไฟพ่อข้อนี่สั่งให้เขาเป็นคนอยู่ในวัดดูเรื่องไฟจุดไฟตลอดหน่บูชาไฟกันชาวเปอร์เซียวันหนึ่งก็ได้ยินชาวคริสโบดคริสเนี่ยเขาก็นังอ่านไบเบิลเนี่ยเาก็รู้สึกเอดี ก็เลยไปแอบฟังพ่อเขารู้นี่ก็เลยจับขังเลยเขาก็หาจังหว่ที่จะหนีหนีแล้วก็ไปหนีไปไปเมืองอื่นไปหาแสวงหาความจริงอย่างนี้ไป บ, บาดหลวงคนนี้เขาก็บอกว่านี่นะบาดหลวงคนนี้บอกว่าเนี่ยความจริงมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะมีนะบีนาะยุคสุดท้ายต้องมานะาก็อยู่กับเขาจน อาจารย์เขาเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะบอกว่าฝากชั้นไปหาใครบอกว่าโนา่นนบีอัลลูฮคนหนึ่งยังอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแบบเนี้ยแล้วก็ไปหาอาจารย์เขาเอีกคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอดชีวิตนะจนก่อนจะตายเนี่ยเขาบอกว่าจะฝากชันไคราบอกว่าโน่นนมีมีอาจารย์อีกคนหนึ่งอยู่ในแนวทางของของเราเนี่ถูกต้องที่เชื่อว่ามีนบีในยุคสุดท้ายเนี่ยต้องมาแน่นอนเขากว่าอยู่เนี่ยเจ็ดแปดคนอย่างเงี้ยอยู่กับแต่ละคนนี่นะ ชีวิตเลยโอ้ยคนแบบนี้เสวงหานี่เป็นเป็นร้อยปีนะน่าจะเป็นร้อยปีอะอุลมามะเขาบอกว่าท่ามานฟาริซีเนี่ยเสียชีวิตในช่วงหนึ่งที่ก็กำลังเขากำลังรอค อ, อยท่านนาบีมหามาตลอดเขาก็บอกว่าอยู่อย่างนี้ตลอดจนเดินางๆจะไปหาอาจารย์ที่ถูกฝากไปเนี่ยถูกอุมอ้มไปอุ้มไปเป็นทาส ไปขายตลาดทาตุนู่นน่ะชาวยิวที่มา ด, ดีนาเนี่ยซื้อไปไปอยู่ที่มา ด, ดีนะาเมืองหนึ่งใกล้เมืองมาดีนาเนี่ยก็คอยฟังคอยดูออได้ยินว่า น, นี่เนี่ยแผ่นดินนี้แหละที่มีนบีทั้งสุดทานี่มาจนกระทั่งอยู่คนหนึ่งอ่ะขึ้นต้นหนึ่งพายรัมเพราวก่อนนู้นก็ปกลูกพินธุ์พาเยอขึ้นต้นหนึ่งพาแล้วก็ตะโกลลนเลยโอ้ชาวอัสแล้วก็ขจุรัน พอตกรุ่นยิ่กับเอ้าข้าสนครับเป็นพันธมิตรกันไงโอ้เชา้ายาริบเช้าเอ้าข้าสนิทนี่แหละนี่แหละคือความสูงส่งที่บอกเจ้านี่จะพบอย่างแน่นอนคือยิ่เนรู้เนะบกูกไม่เอาแน่นอนอาราบจเจ้าเอาไปแต่นี่ไม่ใช่ยิ่นี่กูกไม่เอาแน่นอนพอเสมานได้ยินรู้แล้วว่านี่ตึงตึ ง, ตง เอาอิมพัลล์มแล้วก็ไปหาท่านนบีอ่ะอันนี้เป็นสอดก็นบีก็เลยอิมพัลล์มแล้วก็ให้สอบาเกล้วท่านไม่ได้กินอีกวันเด้งอิมพลมัลั์มอ่ะนี่ของขวัญนบีก็กินแล้วก็ให้สอบาเกานซึ่งมันวกส่อง การจะมาเนี่ยรอเป็นร้อยปีหรือเป็นกี่สิบปีเนี่ยก็จะถึงจุดเนี่ยเหลืออีกหนึ่งหนึ่งสั ญ, ญลักษณ์ที่แกเรียนรู้มากับเนี่ยปรมาจารย์นั้งหลายที่เขาเรียนคำพีกันนะ่ะสั ญ, ญ, ล, ส ญ, ญลักษณ์สัญลักษณ์ของนบีเนี่ยเป็นตุม่มตุ่มเนื้อและมีขนบนตุ่มเนี่ยเท่าก็เท่ากับลูกองงัณฑุอยู่ที่หลังนบีเป็นตุม่มคิดดูดีพี่น้อง ทุกระบในในในบรรดาตำราโบราณของยะฮูดและนองโซโรไม่วันหนึ่งก็มานั่งชังเงานไปชังเงานมาอยากจะอยากจะเป็นนบีนบีนสวมผ้าคุมมานะอยากจะให้นบีเนี่ยเผอแล้วก็ผ้ามันหลุดจะได้เห็นอะไรนบีก็รู้รู้รู้ว่าสมานตงการ นบีก็นเลยทอดทอดให้เห็นว้าเห็นทับ น, นักสลัมเนี่ยก็เลยเข้าไปกอดเห็นเลยจุดนั น, นพี่น้องนี่ยผมนั่งคิดมาตลอดเนี่ว่าคนอย่างสลมัมเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กในยังวัยรุ่ น, นอายุสิบสามสิบสี่เนี่ยแล้วก็หนีออกจากบ้านเนี่ยแสวงหาความจริงสลมัมต่างอะไรจากคนทั่วโลกเนี่ยสมองก็เหมือนกัน ดวงตาก็เหมือนกันอวัยวะก็เหมือนกันหมดขาดเรื่องเดียวความตั้งใจความรักในศัจธรรมและความถูกต้องซึ่งอันนี้มนุษย์ต่างกันจุดสนใจจุดสนใจของพวกเราและที่เราเห็นกันนี่เนะี่ยคนนะี้เดียนี้มีกลุ่มบางกลุ่มไนมะ่อยู่ในบ่ายกลุ่มหนึ่งก็ดูบอลนี่ก็เนี่ย ทำไมอ่ะกุ่มหนึ่งลังเรียนกุฎอ่านนี่อ๊ะทำไมทำไมมันเป็นแบบนี้จุดสนใจเนยมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ดีเออบางคนนี่ในคาร์โรเกลเนี่ยดีเอเอพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนดีทั้งนั้นน่ะเป็นคนเรียนรู้ทั้งนั้นน่ะแต่ทําทไมไปอยู่คารา์โรเกลล่ะทําไมตัว น, นี้เนี่ยเมาเอ๋เลยอ่ะดีเอนี่ไม่ใช่ดีเอ็นเไม่ไดีบอกว่าเขาต้องพ่อแม่เขากินเหล้าลูกหลานก็ต้องกินเหล้าไม่มันจุดสนใจมันอยู่ที่ตัวเรา แล้ว a l l a ไม่ได้บังคับอะไรเลยเพราะฉะนั้น Allah บอกทำไม a l l a บอกให้พระวิงเวลาล่ะนระวิงเวลาให้เขาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เพราะ Allah อยากให้จุดสนใจของเราเนี่ยถูกปรับถูกปรับให้เราเองเนี่ยได้มีโอกาสมาม า, มาบริหารความสนใจของเรา อยากได้อะไรในโลกเนี่ยความจริงความถูกต้องนี่สิ่งติ่มนุษย์ทุกคนต้องการอย่างแน่นอนเราจะเอาเรื่องนะไม่เบวิงเวลาศรัทธาถ้าไม่ศรัทธานี่นะฟา่ารเลยสมนบ็จพระราชนิมานีคำพี่อี่ส จ, จะทำอย่างนี้เ ช, ชื่อัหมไม่เชื่ออุกเขาหาทะเลท่วม จากการหมดเลยไม่มันไม่ได้เป็นเช่นน like ั้นนบีระซูลมาอยู่กับกลุ่มชนของเขาเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยโอกาสพูดแล้วพูดอีกขยันขยอก็เถียงอ่ะมียอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรนบีระซูลบางคนเนี่ยถูกรังแกถูกทุบตีถูกพยายามถูกฆ่าถูกฆ่าก็มีเร่นไง พระวิน uela โอยโอกาสนบีรัสูลบางทัานดีรีเบรนกับนบียูนุสนี่ดจัรนนบียูนัสจิงนเป็นเป็นอุทาหรณ์ที่ดีในหวรนบียูนัสเนี่ยรีเบรนมาโอ้ยไม่ไม่ฟังพวกนี้ไม่เชื่อไปละไม่เอาละถูลงโทษเลยให้เป็นอุทาหรณ์ม่ คนที่กำลังเผยแพ่คนที่กำลังสารเผยแพร่สารของพระเจ้าเนี่ยต้องอดทนต้องต้องปล่อยต้องให้โอกาสกับคนได้เข้าใจอย่าไปสรุปอย่าไปรีบเร่งเขาเช่นเดียวกันพวกเรานี่มีคนใกล้ตัวมีพ่อแม่มีพี่นอ้องมีเพื่อนฝูงมีใครที่เรารู้จักเห็นเขาทำอะไรผิดเห็นเขาเชื่ออะไรผิด เราบอกเขาทำไมมันไม่เชื่อกูทำไมไม่เข้าใจไม่ยืดสมองสัทีเขามีสมองดีกว่าตัวเองแน่นอนแต่ลองคิดดูสิแม้กระทั่งตัวเราในบางทีเนี่ยความถูกต้องในบางทีเนี่ยก็ได้ยินมานานกาจะเปลี่ยนนะนะแล้วก็บางทีก็ลังเลสักชเดกคนเดกคน เด้งเนี่ยกับบูเด้งเนี่ยเด้งไปเด้งมาเด็กกันฮะเดี๋ยวขอนี้อินอินเนี่ยพออัล l a าให้แล้วเนะ่ฮิดายะมาแล้วเนี่ไอ้คนอื่นเฮ้ชักช้าเนไม่เธไม่ชาทธอไมอย่างนี้ล่ะไอ้เราเองเนี่ยได้โอกาสเต็มที่แล้วให้โอกาสกับคนอื่นบ้างฝากบอกกับตัวผ ม, ผมและกับพวกเรานะ พ่าเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าเราแล้วเราไม่ได้มีอำนาจของพระเจ้าที่จะตัดสินคนอื่นหรือจะจะรีบเร่งคนอื่นแต่เรามีหน้าที่เรื่องเดียวที่พระเจ้าจะสอบสวนเราว่าเราทำหน้าที่เผยแพร่สารของพระเจ้าบอกเล่าให้คนอื่นในรับรุหรือเปล่าทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยตรงภูมิใจนะภูมิใจได้แล้ว่าเออเราทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเรียบร้อย เราบอกแล้วพ่อแม่เราพี่น้องเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราเราบอกเขาแล้วคนในสังคมเราบอกเขาแล้วเราทำหน้าที่เท่าที่ทำได้พูดแล้วแล้วก็ดูอาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็อยู่ที่อนุมัติของอัลลอฮฺสุลฮานุฮวายกับพี่น้องอย่างนี้นะครับบัสลลัลลอฮฺมม ل ى نبينا م ح م د و องที่พี่น้องบอกว่ามีคำถามผมก็ถามแทนแล้วกันนะ แต่จะสรุปนิดนึงมีคนที่ก็ถามเรื่องเปลี่ยนนามสกุลของภรรยาต้องเข้าใจก่อนนะประเด็นนะประเด็นมันอยู่ที่หะดีซของท่านนบีสุลลัลละลัลลัที่มันจะตมัมบุคาริละมุสลิมละนะ a l อ a h u 만 i n t a c t s a b i l l a y r i a b i a l อ a h s a b s h e า g คนที่อ้างตัวถึงผู้ที่ไม่เป็นบิดา ซึ่งต้องเข้าใจนะในฮะดีสนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงนำสกุลนะที่มันกลายเป็นประเด็นนำสกุลเนี่ยเพราะบ้านเราเนี่ยมีแต่ชื่อตัวเองและนำสกุลมีสองอย่างเขาก็เลยเอาฮะดีสมาตีความว่าอ๋อไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนนำสกุลของบิดาคือในหะดีสเนี่ยไม่มีคําว่านำสกุลฮะดีสอ้างตัวเอ ง, ต, เองตัวเองเนี่ย อ้างถึงใครอันนี้เป็นจารีดทั่วโลกสากลละโลกทุกคนที่เกิดมานี่นะเขาต้องอ้างถึงพอ่อบางวัฒนธรรมอาจจะอ้างถึงทั้งพอ่อทั้งแม่แต่ไม่มีนาะที่ไม่อ้างถึงพ่อเลยนะลูกนี่ก็ขึ้นกับพอ่อใชประเทศบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศอียิปต์เนี่ย ต้องในในบัตรประชาชนเนี่ยต้องมีชื enfin ่อตัวเองชื่อพ <ils> ่อปู well in ่และนามสกุลผมเนี่ยชื่อชื่อในบัตรในบัตรประชาชนในพาสปอร์ตเนี่ยตามโดสมัดดีโอ้โหปวดไหนอะชื่อเลีหายไปไหนอะหายไปไหนอะชื่อพ่อชื่อนตรงขนเีนนี้ไงนะไม่มีเขาไม่เขาไม่ระบุาต้องระบุเราต้องระบุ ต้องใส่ต้องใส่ชื่อพ่อแล้วก็ชื่อปู่ทัานนั่นดิในเอกสารนี่ในเอกสารเอกสารนี่ในเอกสารปริญญาบัตรเของผมเนะี่ยมีชื่อผมชื่อพ่อชื่อปู่และนามสกุลนะ่ะแต่ในเอกสารจริงของไทยนี่ไม่มีชื่อเฮ้ยนะเขาบกว่าให้เปลี่ยนนามสกุลในหาดีสไม่มีนะครับว่านามสกุลในดีสบอกว่าไม่ให้เปลี่ยนการอ้าง อ้างถึงบิดาฉะนั้นในการอ้างเนี่ยสายสกุลทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องเป็นสายสกุลของพ่อสายสกุลนะวัตถุประสงค์คือไม่ให้บิดเบือนสายสกุลเป็นของคนอื่นหรือสร้างความสับสนให้คนอื่นเข้าใจว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกของคนคนนี้หรือสายสกุลของคนคนนี้ คำถามว่าและในบ้านเราเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมพอเปลี่ยนนามสกุลนะใช่ถึงแม้ว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อพ่อเพราะมีบางคนบอกว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อพ่อเขาใช้นามสกุลนี่นามสกุลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลของพ่อแล้วีตบอกว่ามาเอาไม่เปลี่ยนนามสกุลพราะไม่ใช่เขาไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแอบภรยาเปลี่ยนนามสกุลเป็นของสามีเขาเขาบอกว่าทําได้เพราะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนามไม่ได้เปลี่ยนชื่อพ่อพ่อก็ยังเป็นพ่อไม่ใช่ ต้อเข้าใจว่าเรานมีแต่นำสนกุลถึงตอนนั้นก็ตามถ้าเปลี่ยนนำสกุลแล้วนะ่ะะส่วนมากนี่ยพอเปลี่ยนนำสกุลแล้วเนะี่ยจะไม่เข้าใจว่านำสกุลใหมนะ่เนี่ยนี่คือนำสกุลของเธอเนะี่ยแล้วนำสกุลเดิมเนะี่ยที่ส่วนมากก็จะลืมกันน่ะอันนี้ไปละมจะาจญาณราไปดูดิเวาลาอันญาณาเนะี่ยฮะ เป็นลูกของฮะจ์นาสกุลอย่างนี้แล้วก็จีนามสกุล่นี้นสกุลเดียวกันทนั้งทั้งที่แม่นี่นะคนละนาสกุลเลยนะแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะเขาเป็นเราเนี่เป็นญาติทางพ่อหรือทางแม่อันสำคัญสําสคัญสิครับสาคัญทียต้องรู้ว่ดีญาตทางพ่อหรือทางแม่แล้วเวล า, าทาั้งหมดในเอกันแลเวาลาที่บปฮัดดี้สิเขาบอกว่า ไม่เปี่ยนนาสกุลจได้ไม่สับสนเล่นสายสกุลเนี่ยสับสนสายสกุลเพราะเปลี่ยนนามสกุลแล้วนี่ออกดกลงเขาเป็นลูกหลานใครอ่ะมีผลไม่มีผลเกี่ยวกับการปฏิบัติเลยนะเพราะการติดต่อเครือญาติเนี่ยสืบเนี่ยใจกว่ารู้ว่านี่เป็นเครือญาติอ๋อหันญาคนนี้เนี่ยไม่ต้องไปยี่ยมเขาหรอกทําไมอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโคตรักสารญาติที่ไหนอ่ะ เขาเป็นลํำสกุลนู่นไม่ใช่น้ำสกุลเดิมเนี่ยคือลําสกุลของตัวองนั่นเองนี่นี่คนนี้เนี่ยเป็นญาติแท้ๆเอาเหรอ น, นเนี่ยกิดขึ้นแบบนี้จริงมากกว่านี้นะ่ะมรดกบางทีนีนะ่ไม่มีเลยนะคนนี้เสียชีวิตนมีตังเนี่ยเสียชีวิตเนี่ ย, ม ย, ย, ยไม่มีทายาทไม่มีพ่อแม่ไม่มีแต่มีใครอะ่ะมีลูกพี่ลูกน้องนน อยุนแต่งงานกับคนนั่นนะคนเดียวแต่บเบียนนำสกุลพอจะมาสืบแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าทายาทยา ท, ายยาที่มีเครือญาติไม่ใช่เครือญาติที่มีเสียมระเบดรดกนี่นะปรากฏว่าว่าเบียนนำสกุลเนี่ยถ้าสืบไม่ได้นี่นะจบเลยไม่ได้มรอดอกไม่ให้มรอดอกไปถามคนที่เขาสืบหนังสือตาราสายสกุลเนนะี่ยไปถามเขาดูบางคนนี่นะไม่รู้เลย วันนี้เป็นลูกหลานไข่เพราะอะไรเพราะตอนแต่งงานนี่นะที่จริงไม่ต้องมีฮัดี้บทนี้เนี่ยเราจะได้เลิกเปลี่ยนนามสกุลเพราะการเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยไม่ใช่วัฒน่าทำอิสลามและถ้าเอาจริงก็ไม่ใช่วัฒนธรทำไทยด้วยว่าอะไรฮะฟรังค์ฟรังค์ ทำไมพอฝรั่งเนี่ยเหยียดสตรีมาไหนาต่านา้ไหนและนี่ถือว่าเป็นการเหยียดเพศสตรีอย่างรุนแรงเลทาายทำไมอ่ะคุยงไม่ไม่มีตัวตนหนาไม่มีชีวิตอ่ะอยู่ดีดีเนี่ยพอแต่งงานสมรสดแล้วนะโนเนมไม่ไ ม, มีพ่อแม่เป็นใครก็ไม่รู้ปรเป็นอะไรเป็นของสามีนี่มันเป็นเรื่องตกทอดทษมรดกของโรมัน เวลาแต่งาแล้วนีนะเพา่อนเนีเป็นมรดกของสามีเป็นของสามีไปเส้นเลยไ่เหรเยเยดเพศสตรีชัดเจลถ้าไม่ต้องมีหาริสนะแค่เป็นว่าธนชาติไม่อิสลามมีก็ควรที่จะติกล่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งโนทั้งโดนนะไอเรื่องตัทะเบียนเนี่ย บางทีเนี่ยไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยผมเกิดในยุคโบราณหน่อยนะเขาบังคับพอจดทะเบียนแต่นี้เขาไม่ได้บังคับพอจดทะเบียนบังคับนี่จะให้ภรรยานี่ใช้นามสกุลเขาบอกไม่ได้ต้องนามสกุลสามีอ่ะพอจดทะเบียนแล้วพอจดทะเบียนแล้วนี่ยไปเปิดบัญชีไปทํานู่นไปโอนนู่นไปโอนทุกอย่างนี่นะมันเป็นนามสกุลที่เปลี่ยนไปแล้วจะได้เปลี่ยนนี่นะโอ้ยต้องเอาหนังสือเปลี่ยนเนี่ยแล้วจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยต้องเอานัง ยุง่งอยากบไม่ศาสนาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าที่เราก็ห้ามเปลี่ยนนี่หมายถึงว่ไปดูตามเอกาาสารว่ราอันนี้สิไม่ดได้พูดถึงในเอกสารอันนี้สิหมายถึงว่าเป็นที่ให้เปนที่รู้กันเว е ลาคนถามนี่ชื่ออะไรอ่นามสกุลจริงดิไม่ได้อานามสกุลสา ม, มานสีนนามสกุลของตัวเองนี่แต่ถ้าเวลามีคนเชิญมาเฮ้ย น, น, นี่ไม่ใช่นามสกุลฉันมีคนเชิญมาชื่อนามสกุลฮะขอบคุณแม่เชิญนามสกุลของฉันดิ เวลานั่งนั่งด้วยกันตาอรูปนี่ให้แนะนําตัวเองนะอันนี้ฉันนี่ชื่อฉันนี่งี้ไม่ต้องเอาน้ำสกุลเอาน้ำสกุลของบิดาเนี่ยที่หมายรวมจะได้รู้ทุกคนจะได้รู้วันนี้เป็นใครการเปรียนนต่สกุลเดใครใดตั้งน้ำสกุลใดถ้าไม่กระทบน้ำสกุลของบิดาสายสกุลของบิดานะไม่เป็นไรแต่ถ้ากระทบแล้วก็ทําให้ถูกลืมน้ำสกุลของบิดาไปเลยเนี่ย ไม่รู้เลยว่าเนว่าคนนี้เป็นลูกของสายสกุลนี้นะนะไม่ได้ไม่ถูกต้องลูกใช้น้สกุลลูกใช้น้ำสกุลแม่ก็ไม่ได้เหมือนกันยกว้นว่าจะน้ำสกุลแม่เหมือนน้ำสกุลพ่อก็ได้ยกเว้นกรณีเดียวฉันน้ำสกุลแม่ก็คือเป็นเป็นลูกจิน่าอันนี้อันิยม หรือนำสกุลอ si ื่นที่ไม่ในสกุล <t> ว <ry Father> ีดาก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์น้าที่ไม่มีไม่มีพ่ออันนี้อันนี้ใช้นำสกุลใครก็ได้ในสังคมในะที่พูดถึงอันรที่กนว่าม่่ได้เอ่อว่าอาจจะไม่ต้องลงกนแล้วเราเข้าใจยังไงกับที่นไบอกว่าพ่อท่านยังไงนอันนี้อมาเาก็ตีความกันนะ นั่นนบีปอบใจไม่ได้พูดจริงแล้วก็เอาแล้วก็ปอบใจแล้วก็พูดถึงบิดาใช่ไม่ได้หมายถึงบิดาจริงไม่ได้หมายถึงตัวบิดาของท่านอาจจะหมายถึงลุงของท่านก็ได้เพราะลุงอาจจะเรียกว่าเป็นบิดาก็ได้เหมือนลูกหลานท่านนายวิยากุปโนาบูดู อีหละคะว่าอีละอับดุลกัอิบราฮิมาะอิสมาเอลและอิสฮะค่ะเล็กนั่นบีอิสมาเลเนี่ยเป็นบิดาทั้งนีีอิสมาลเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาเป็นลุงแต่หมแสดงว่าลุงนี่เรียกเป็นบิดาก็ได้นบีก็เลอว่าอบีว่อบบูก็หมายถึงว่าบิดาของฉันนี่อาจจะหมายถึงว่าอบบูตอริบก็ได้เพราะอบูตอิบทาท่านนบีแลวก็ปฏิเสธอาจจะหมายถึงว่าลุงก็ได้แลวนบีปลอบใจเขาก็ได้ คนๆที่อลัลมดีบอกว่าวิราชญ์ น, น บ, บีอันี่เขาตีความฮะดีสบุกเนี่ยฮะดีสบุกเนี่ก็ตีความนะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอัลลัลลอเนี่ยฮุกุมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ฟันธงนะแต่หมายถึงว่าไม่ให้ฟันธงว่าเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเหมือน เราจะคาดการสูงกับคนที่เสียชีวิตในสภาพที่เป็นกาเฟชชัดชัดหรือเสียชีวิตในสภาพที่เป็นผู้สตาชัดชัดผู้สตาชัดชัดเนี่ยเราจะบอกว่าหวังว่าเขาเป็นชาวสวรรค์กาเฟชชัดชเนี่ยเราบอกว่าหวังว่าคนนี้น่าจะเป็นชาวนารกแต่พ้าตึ้งเดียวจะไม่พูดแบบนี้เลยไ ม, ไม่ไม่ฟันธงเลยแล้วก็ไม่ไม่คาดการด้วย เพราะคนเกียร์มาเขาต้อจะสอบสวนฉะนั้นคนละมาได้บอกว่าฟอตเทอรเนี่ยสภาวะภายนอกของเขาเนี่ก็เหมือนเขาตายในสภาพะไหนนั่นก็ในสภาพะนั้นนะก็หมายว่าสมมติสมมตินัเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมีคนหนึ่งนะลึกๆเขาเนี่เขาเรียนรู้ความจริงความถูกต้องศีลธรรมนิดนึงล้ะจะศรัทธาละนะต่ไมดีศรัทธาก็ต่อหน้า สายตาของคนในสังคมนี่ก็เสียชีวิตยังแต่เขาเอาไปเผาศพอะ้รเนี่ยเราจะไปคัดคางเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขากําลังศึกษาอยู่ก็ไม่ได้ก็ตามตามสภาพที่อยู่ในสังคมเขาเป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบไปตามนั้นแต่วันกียรมานี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงนึกว่าวันกียรมาเนี่ยเป็นวันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คนที่เรานึกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ แล้วคนเดียวนึกว่าเขาเป็นชาวโนโรกเนี่ยวันเซอร์ไพรส์เลยจะเห็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเฮ้ยคุณเนี่ยนอะ่ะผมเคยเล่าให้น้องฟังว่าเพื่อนผมเองเนี่ยเป็นเกเป็นเพศสัตวคุณพ่อเขานี่เป็นครูเขาบอกว่ามีเพื่อนเขานี่เป็นครูเป็นคริสตคนหนึ่งที่ประเทศอีบิปตนะ เวลาที่สการของมุสลิมเนี่ยเาก็จะมาเดือนรอมฎอนก็จะมาถือศีลอดมาและมาตรอวีมาแต่เขารู้ว่าเป็นคริสตเนี่ยแต่เป็นเพื่อนที่นุน่มเป็นเรื่องธรรมดาคริสตินะ่าเขาจะสนิทสนมกับมุสลิมมากเลยถึงขนาดที่บางทีเนี่ยก็แกล้งเข้าไปละหมาดกับมุสลิมสนิทกันแต่เกาเป็นคริสแล้วเขาก็รู้ว่าไอคนนี้เป็นคริสเว่าะไม่เคยไม่เคยเอ่ยว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือะไร แต่ตอนเสียชีวิตเนี่ยลูกๆเขาเนี่ยมาหาเพื่อนเขาเนี่บอกว่าเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขามีพิ่นายกรรมสั่งเสวะเลยว่าเขาเป็นมุสลิมนะแล้วก็ให้เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนจัดการศพไห้ฉันอยู่ครั้งหนึ่งผมไปฟังบรรยายอาจารย์ผมเนี่ยชื่อมหามันสินยากร <c oughs> ละหมาดละหมาดมักรีพดละหมาดก็จะบรรยายระหว่างมักรีวิชาเมื่อละหมาดมีค น, นละหมาดใกล้ผมเนี่ยติดกับผมญเลย อัลมาด์ผมก็ไม่ได้เอใจอะไรเลยเพอบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เรียกผมแล้วก็คนที่นั่งใกล้ผมนี่ปะที่บ้านไปที่บ้านเขก็รู้มาเนี่ยที่เัลมาด้เยเป็นใครชื่อชื่อเขาเนี่ยชื่อชาวคริสต์นะชื่อจำชื่อไม่ได้ชื่อคริสว่แล้วมาแล้วมาได้ไงว่าผมนี่เนะี่ย ผมเนี่ยเกิดในครอบครัวเคร่งคัดคริสต์มากเค้่งคัดในศาสนาคริสต์มากแต่เขาไม่เคยเข้าโบสถ์แล้วเวลาบาทหลวงจะมาเทศที่บ้านเขาจะหนีเขาจะหนีไปเดือนรอมฎอนเขาจะถือสิ้ออดตลอดแล้วเวลาเขามีโอกาสจะละหมาดเขาจะละหมาดเอาแล้วก็รับอิสลามยังเนี่ยบอกยัง <c oughs> ที่จริงในชีวิตของคนนี้ไม่มีอะไรต่างอะไรกับมุสลิมเขาจะทำไมไม่ประกรออาศเรา伊斯兰มรดกถ้าประกาศแล้วนี่เป็นอนันุวาอะไรบางอยาา่างแล้วก็คือกิเลสอย่างหนึ่งนะกิเลสอย่างหนึ่งนะแต่จะไปว่าเขาไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อาจจะรับเขาไหมใจเขาเนี่ยเขาไปแล้วไงแต่เขาติดขักเดินสตันนิดนึงนะบางคนนี่ก็ อาจจะรู้ตัวเองว่าเออทไมมีสะดังก็อาจจะไปไม่รอดก็เนี่ยอะไรบางอย่างในสังคมอย่างที่ผมบอกว่าพวกเราเนี่ยเรามีเรามีกฎเหล็กแน่นอนหลักการศาสนาเนี่ยเป็นกฎเหล็กแน่นอนแต่คนนี่ไม่ใช่เหล็กคนนะะไม่ใช่เหล็กคนมียืดยุนเราต้องแลวเราก็ต้อ ง, ต, องต้องเผื่อเผื่อให้คนอื่นบ้าง นะครับซ ل ى ลัลลอฮุอะลัยฮิวซัล ا ن ัคอัลลอฮุมบิ hamdik ชดุอัลอิ ك ัยลลั่นที่อัลซัก ا ุรุ